ตอนที่ยี่สามูหญินเท่าเกิดเรื่องแล้วเย่เยาไม่รู้ว่าตนเองเริ่มโป้บดมดเท็ดได้อย่างคล่องคอตั้งแต่เมื่อใดถึงขั้นที่พูดออกมาได้โดยไม่กับพฤตาเช่นนี้อย่างไรเสียหักหวังเฟยไปถามหลิงเซินแล้วหลิงเซินไม่ยอมรับเรื่องใหญ่ที่สุดก็แค่ให้เขามาหาข้าด้วยตนเองในเมื่อเรื่องยุ่งยากนี้ก่อขึ้นมาแล้วจะหลบหนีไปตลอดก็คงไม่ได้หวังเฟยยิ้มอย่างกระอักกระอ่วนที่แท้ก็เป็นเช่นนี้เองเซินเอ๋อก็นรับปากไว้แล้วแท้ๆกลับลืมเสียได้เยี่เยาส่งเสียง ชิเบ้าๆในลำคอสีหน้าเรียบเฉยไม่แสดงอารมณ์ใดๆหวังเฟยครุ่นคิดครู่นหนึ่งก่อนถามต่อเช่นนั้นเยาเยาเจ้ากําหนดวันเวลาไว้หรือยังพวกเราทั้งสองตระกูลได้รับพระราชท า, านสมรสจากฟาบาดอย่างไรเสียก็ต้องเห็นแก่น้าของฟาบาดจะผัดวันประกันพรุ่งไปนานไม่ได้ยี่เยวตอบอย่างใจเย็นเพราะต้องเห็นแก่น้าของฟาบาดและต้องรักษาหน้าตาของทั้งสองตระกูลด้วยนั่นแหละเจ้าเขถึงได้ไม่อาจรีบร้อนจนเกินไป เือจือแห่งจวนซีนอองผู้สง่างามจะแต่งกับสตรีผู้สูงศักดิ์อันดับหนึ่งแห่งเมืองหลวงจะทําแบบขอไปทีได้อย่างไรหากเล่าออกไปไม่เพียงแต่จวนซีนอองและจวนกัวกงของข้าจะเสียหน้าแม้แต่ฝ่าบาทที่เป็นผู้พระราชทานสมรสในฐานะพ่อสื่อก็คงจะทรงเสียพระพักเช่นกันเจ้าค่ะหวังเฟยก็จริงของเจ้าเยี่ยเยาวกล่าวต่อยามนี้เข้าสู่เดือนสามแล้วหากจะแต่งงานภายในครึ่งปีแรกก็เหลือเวลาเตรียมการไม่ถึงสามเดือน รีบร้อนเช่นนี้จะเตรียมการให้รอบคอบได้อย่างไรเจ้าคะที่สไภช์แอบปิดปากยิ้มคําแม่นางน้อยคนนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่กันที่กลายเป็นคนฝีปากกล้าเช่นนี้เย่หัวเองก็ปฏิกิริยาไว้รีบรับคําทันทีนั่นสิเจ้าคะน้องสาวของข้าเป็นบุตรสาวสายตรงเพียงคนเดียวของจวนกัวกงนางจะออกเรียนทั้งทีสิ่งเดิมสิบลี้ย่อมขาดไม่ได้เวลาไม่ถึงสามเดือนเกรงว่าแม้แต่สิ่งเจ้าสาวของนางก็ยังเตรียมไม่ครบถ้วนเสียด้วยซ้ําที่สไพช่วยเสริม อย่างไรก็เป็นงานมงคลระหว่างจวนสิ้นอองและจวนกัวกงเตรียมการสักปีสองปีก็ไม่ถือว่าล่าช้าหรอกเจ้าค่ะหากจัดงานออกมาได้ดีทั้งสองตระกูลก็มีหน้ามีตาฝ่าบาทเองก็คงจะทรงพระเกษมรานเช่นกันหวังเฟยนางจะพูดอะไรได้อีกเล่าคำพูดดีๆถูกสามีภรรยาคู่นี้พูดไปจนหมดแล้วบวกกับเยี่ยยาวที่ฝีปากกล้าคนนี้อีกหวังเฟยจึงคร้านที่จะหาเรื่องใส่ตัวให้ลำบากใจ ในเมื่อทางจวนกัวกงเห็นว่ารีบร้อนเกินไปและเซินเอ๋อก็รับปากแล้วว่าเรื่องกําหนดวันแต่งงานให้เยโยเป็นคนตัดสินใจเช่นนั้นเรื่องนี้ข้าก็จะไม่กังวลแล้วต่อไปให้เซินเอ๋อมาปรึกษากับเยโยเองเถิดอย่างไรเสียก็เป็นเรื่องของเด็กทั้งสองคนเยโยรู้สึกตะขิดตะขวงใจเล็กน้อยใครจะเป็นคู่ผัวตัวเมียกับเขากันแต่ต่อให้จะรังเกียจบุรุษผู้นั้นเพียงใด นางก็ต้องรับมืออย่างระมัดระวังอย่าได้ทําให้เขาโมโหจนพกร่องออกมาว่าให้แต่งงานทันทีมิเช่นนั้นจะแย่เอาได้อย่างไรเสียก็เป็นสมรสพระราชทานเยียเยาต้องการเวลาในการวางแผนว่าจะถอนมั่นครั้งนี้อย่างไรให้ถูกต้องตามธรรมนองคลองทำโดยไม่เป็นการหักหน้าสบาท ด, ดังนั้นจะกําหนดวันแต่งงานไม่ได้เด็ดขาดหวังเฟยช่างเป็นผู้ที่มีเหตุผลยิ่งนักเจ้าค่ะเยียเยายิ้มพลางเอ่ยชมหวังเฟยคิดว่าในภายหน้าหากข้าแต่งข้าจวนอองหวง่งเฟยจะต้องเป็นแม่สามีที่ดีที่สุดแน่นอนเจ้าค่ะ หวังเฟยไหนเลยจะฟังออกว่าเย่ยามีในแอ บ, บแฝงนางกลับรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งจนหัวเราออกมาเยาวเยเด็กคนนี้ฝีปากกล้าช่างพูดช่างจาเสียจริงเมื่อแต่งเข้ามาแล้วจะต้องเป็นลูกสะพ้ยที่รู้ความและกะตัญยูแน่นอนเย่ยายิ้มตอบแต่ในใจกลับแค้นเสียงเย็นจะไม่มีโอกาสนั้นหรอกเมื่อได้ยินหวังเฟยชมบุตรสาวสุดที่รักของตนใบหน้าที่ตึงเครียด ม, มานานของเย่ยออูเสียก็เริ่มผ่อนคลายลง คนทั้งครอบครัวจึงเริ่มสนทนากับหวางเฟยได้อย่างราบรื่นมีการทักทายปลาใสกันไปมาเย่เย่านั่งลงข้างที่สะพานึกถึงเสี่ยชิงจือเมื่อครู่จึงกระซิบถามข้างหูเบาเบเซี่ยชิงจือไปไหนแล้วเจ้าคะที่สะพานตอบไปหาท่านย่าแล้วและเห็นว่าทําอาหารยามาบํารุงร่างกายให้ท่านย่าด้วยตนเองเพื่อเป็นการไถ่โทษได้ยินดังนั้นเย่เย่ก็ขมวดคิ้วมุ่นทันที นางคุ่นคิดครู่หนึ่งก่อนจะหันไปกระซิบสั่งการเจนเจียที่ยืนรอรับใช้อยู่ข้างหลังสองสาประโยคเจียนเจียพยักหน้าแล้วรีบเดินจากไปอย่างรวดเร็วยี่ยาวเฉงเงอขอมองไปทางเรือนของท่านยา่ามือทั้งสองข้างที่วางอยู่บนเข่าแอบกุมผ้าเช็ดหน้าไว้แน่นนางไม่อาจละทิ้งมารยาททิ้งหวางเฟยไปได้เสียชิงจือจะก่อเรื่องอะไรนางไม่สนแต่อย่าได้ทําให้ท่านปู่ท่านย่าต้องพลอยเดือดร้อนไปด้วยเลยผ่านไปไม่นานนักในขณะที่ห้องโถงกําลังเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะสาวใช้คนหนึ่งก็ถลาเข้ามาในห้องพร้อมรายงานด้วยเเสสียงันครือ นายท่านฮูหยินเท่าเกิดเรื่องแล้วเจ้าค่ะสีหน้าของทุกคนเปลี่ยนไปทันควันคนในตระกูลเยี่ยลุกพรดขึ้นพร้อมกันเยี่ยยัไม่พูดพร่ำทำเพลงรีบคว้าชายกระโปรงแล้ววิ่งออกจากถงหลักไปทันทีคนอื่นๆก็รีบตามไปเช่นกันวางเฟยรังท้ายอยู่หลังสุดนางชะงักฝีเท้าเล็กน้อยสังการองครักษ้างกายประโยคหนึ่งองครักษู้นั้นก็รีบจากไปอย่างรวดเร็วเทียงแค่ถึงหน้าประตูเรือนเยี่ยยาก็ได้ยินเสียงโลดลานของเซี่ยชิงจือดังออกมาจากข้างใน ทำไมถึงเป็นเช่นนี้อาหารยานี้ฆ่าทําตามที่บันทึกไว้ในตำราบโบราณทุกประการเร็วเข้ารีพยุงฮูหญินเท่านอนลงเป็นอย่างที่คิดเสี้ยชิงจื้อก่อเรื่องอีกแล้วและยังทําให้ท่านย่าเดือดร้อนอีกจนได้เยี่ยเยาเร่งฝีเท้าเข้าไปข้าวในคนในครอบครัวและหวางเฟยก็ตามมาถึงติดติดเมื่อเข้าห้องมาแล้วเยี่ยเยาตรงดิ่งไปยังห้องนอนด้านในบรรดาสาวใช้และแม่นมที่กําลังตื่นกระหนกเมื่อเห็นนางก็ราวกับเห็นขอนไม้ช่วยชีวิตคุณหนู ขวีนเท่าอาการไม่ดีแล้วเจ้าค่ะพอทานอาหารยาของแม่นางชิงจือไปได้ไม่นานก็อาเจียนออกมาแถมยังอาเจียนหนักขึ้นเรื่อยๆจนตอนนี้เริ่มหมดสติไปแล้วเจ้าค่ะคนในครอบครัวและหวางเฟยที่ตามมาทีหลังต่างก็ได้ยินกันทั่วหน้ายี่ยาเธอหงตาใส่ซี่ชิงจืออย่างแรงอีกฝ่ายตัวสัน่นเทอมก้มหน้าลงน้ำตาไหลพรากราวกับไขมุกที่สายขาดเยี่ยาไม่มีเวลามาใส่ใจตัวสวยคนนี้นางโผเข้าไปที่เตียงท่านย่าหมดสติไปแล้วลมหายใจหอบที่กระชั้น เย่ออูเสียระเบิดโทสะออกมาเกิดอะไรขึ้นพวกเจ้าประนิบัิกันอย่างไรสาวใช้และแม่นมทั้งห้องต่างคุกเขา่าลงกับพื้นจนมืดฟ้าโมดินแม่นมจางที่ประนิบัิใกล้ชิตตาแดงก่ำปาดน้ำตาพลางรายงานตั้งแต่ถอดลูกประคำนั่นออกหูหยิมเท่าก็มีสีหน้าดีขึ้นทุกวันร่างกายก็ค่อยๆฟื้นตัวเจ้าค่ะปกติหากยังไม่ถึงเวลาอาหารหูหยิมเท่าจะไม่ทานอะไรเลยเมื่อครูแม่นางชิงจือมาหา รบเร้าจนขาดไม่ได้หูหญินเท่าจึงทานอาหารยาที่แม่นางชิงจือนามาให้ไปบ้างทานไปไม่เท่าไหร่ใครจะคิดว่าจะเป็นเช่นนี้ไปได้สายตาของทุกคนพุ่งตรงไปยังเซี่ยชิงจือเป็นจุดเดียวนางสายหน้าและโบกมือพลัวันอย่างบริสุทธิ์ใจข้าไม่ได้จะทําร้ายหูหญินเท่านะจริงๆนะเจ้าคะข้ามาเพื่อไถ่โทษเรื่องลูกประคําหอมประหลาดจากซีวิตครั้งก่อนแล้วข้าจะทําร้ายฮูญินเท่าได้อย่างไรเซี่ยชิงจือร้องให้จนน้ําตาหนองหน้า ถ้าทางดูน่าสงสารราวกับดอกไม้ต้องหยาดฝนดูบริสุทธิ์ราวกับกระต่ายน้อยตัวขาวหวังเฟยเห็นดังนั้นก็ใจอ่อนทันทีเดินเข้าไปเช็ดน้ําตาให้นางและช่วยพูดแก้ต่างให้ฮูหญินถ้าเป็นลมไปเพราะเหตุใดก็ยังตรวจสอบไม่แน่ชัดบางทีอาจไม่เกี่ยวกับอาหารยาของชิงจือก็ได้ขอท่านแม่ทัพทั้งสองอย่าเพิ่งปรักปรำชิงจือเลยนางมีความตั้งใจจริงและทุ่มเทแรงกายแรงใจไปกับอาหารยานี้มากเสียชิงจือพยักหน้าหนักหนัก ใช่เจ้าค่ะข้ามีความตั้งใจจริงมากหลายวันมานี้ข้าไม่ได้หลับไม่ได้นอนเพื่อค้นคว้าตำราแพทย์โบราณกว่าจะหาตำรับอาหารยานี้เจอคำพูดของนางทําให้เยี่ยยอรู้สึกรําคาญใจยิ่งนักนอกจากร้องไห้และผลักสายความรับผิดชอบแล้วเซียชิงจือก็พูดอย่างอื่นไม่เป็นเลยเยี่ยเยาสังเกตใบหน้าของท่านย่าอย่างละเอียดเห็นสีหน้าเขียวคล้ำเล็กน้อยดูเหมือนจะถูกพิษเสียชิงจือยังคงร้องให้เสือึกเสือื่นพางพูดพระไม่หยุด ตอนที่ข้ามาถึงหูหยินเท่านั่งชมดอกไม้อยู่ในสวนข้างๆยังมีขนมวางอยู่บ้างหูหยินเท่าบอกว่าเป็นของโปรดของเหล่าก๋กรงแต่ทานไปไม่กี่ชิ้นคนรับใช้ของจิ้งปอโหก็มาตามท่านไปฟังนิ้วจิบชาบางทีหูหยินเท่าอาจจะทานขนมเหล่านั้นเข้าไปก็ได้เพียเสียงตบดังสนัน่นเย่ยไม่พูดพร่ำทำเพลงสะบัดฝ่ามือตบลงบนใบหน้าของนางอย่างแรงหนึ่งชาด